เราอ่ะต้องมีความคิดในแง่บวกอะค่ะคือว่าเวลาคือเป็นไวรุน่นย่้ยค่ะก็จะมีกระแสรหรือว่ามีเทรนว่าเฮ้ยคนคิดัวกสิต้องคิดบวกแต่มันจะใกล้เคียงกับคนบางประเทศที่แบบชอบนว่าเขาแบบโรคสวยคือโรคสวยเนี่ยมันจะเป็นคำเนียเชิงลบอะห่ะแม่ค่ายีก็คือเหมือนกับว่าคือแบบไม่อยู่ในความจริงคือคิด เข้าข้างตัวเองคิดโลกสวยเนี่ยค่ะซึ่งมันมีความใกล้เคียงเหมือนกันกับการคิดบวกอันนี้หนึ่งคำถามแต่หนูก็แบพยายามคิดต่อว่าบางทีอ่ะความคิดบวกเนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกับความเมตตาหรือเปล่าหรือว่าหนูแปลคาว่าเมตตาไม่ถูกไม่รู้อะค่ะว่าเราคิดบวกเมนกับว่าเราเรามีเมตากับคนที่กระทำกับเราไม่ดีอย่างเงี้ยแลเราก็เมตตา ท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมะคะคิดบวกที่จะมาพูดถึงนะเสียงมีบ้างมีเสียงไหมเสียง <Hello. S 1> ได้เนี่ยัง อ้เหเจินทรนได้ยินไหมอ่ามาลักเสียงคิดบวกที่จะมาพูดถึงนะอะ่หมายถึงว่าเป็นการมองความจริงนะแต่เป็นความจริงที่มันเป็นด้านบวกยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะมีครูคนหนึ่ง วันตอนเช้านี่ก็ชูกระดาษสีขาวกระดาษแผ่นนั้น ม, มีกากบาทสีดาอยู่ตรงมุมขวาแล้วก็ถามนักเรียนประถมว่านักเรียนเห็นอะไรเล่นก็บอกว่าเห็นีกากบาทครับผู้ถามต่อไปว่าเธอเห็นอะไรอื่นเหรอเรียนบอกไม่เห็นครับเห็นแต่กากบาทครูก็เลยถามต่อไปว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเหรอ ที่เขากระดาษเนี่ยมันชัดไหมแต่ว่านักเรียนเนี่ยเห็นแต่กรกรบาทการเห็นแต่กรกรบาดคือเรื่ามองลบมองบวกคือการเห็นสีขาวกระดาษด้วยนะอันนี้คือความหมายหนึ่งนะซึ่งถ้าเราเนี่ยมองสีขาวกระดาษด้วยเนี่ย บางทีเราอาจจะมองคนได้รอบด้านมากขึ้นหมายเพราะว่าคนบางคนเนี่ยชอบดิ้นทาแล้วก็เห็นแต่ความนิสัยนินทาของเขาแต่ถ้าเรามองมองบวกเราก็เห็นว่าเ อ, อเาเป็นคนทยนันล้วก็เป็นคนมีน้าใจนะเราเห็นด้านบวกของเขาด้วยซึ่งเป็นความจริงนะไม่ใช่ปรุงแต่งเวลาเราทำงานเนี่ยถ้ามองลบก็เห็นแต่ข้อตำหนิ แต่ถ้ามองบวกก็เห็นว่ามันมีข้อที่ควรมันมีข้อดีด้วยหลายคนเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็เห็นแต่ด้านลบของตัวเองเห็นแต่ความล้มเหลวของตัวเองแต่เขาไม่มองบวกว่าเออเขาทําอะไรดีบ้างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่ทมาคิดว่าชัดนะรู้จักซิกโก้ไนงะซิกโก้เนี่ยก็เป็นโค้ชทีมชาตินะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นโค้ชทีมชาตินี่ก็เป็นนักฟุตบอลดับซูเปอร์สตาร์ เขาเคยไปแข่งบอลอาชีพเกาหลีไม่ใช่เกาหลีมาเลสิงคโปร์เวียดนามต่อหลังเนี่ยสโมสร อ, อังกฤษสโมสรก็ซื้อตัวเข้าไปเป็นข่าวใหญ่เมื่อ 20, 20ปีที่แล้วคนไทยอยากจะเห็นหนักฟุตบอลไทยเนี่ยไปลงสนามในอังกฤษและนี่คือความฝันซิกโก้ซิโก้ฝันว่าจะได้สวมเสื้อสโมสรนั้นเนี่ยลงแข่ง แต่จนแล้วจะรอดเขาก็ไม่เคยได้ลงสนามสักทีเพราะเขาเป็นแค่ตัวสำรองนั่งอยู่ข้างสนามซิโกเครียดมากสุดท้ายเขาก็กลับเมืองไทยแล้วเข้าส่วการแปลงเปลี่ยนครั้งนั้นเนี่ยล้มเหลวแค่มาฐานเขาเรื่องนั้นเขาก็ไม่อยากตอบเขาสึกแย่มากกับเหตุการณ์กับช่วงเวลานั้นแต่ผ่านไปหลายปีมีคนถามเเรื่องนี้เขายิ้มเขาก็บอกว่า มันไม่มีอะไรเลยนะผมแค่มองไม่เห็นมองไม่ออกก็บอกแปลงกี่ขนาดมีแต่ได้กับได้ 1. ได้บ้านสองได้รถสได้พัฒนาร่างกาย 4. ได้มีมุมมองใหม่ๆนะ้าได้ภาษา 6. เนี่ยได้ท่องเที่ยวนะได้พบปะคนมากมายที่น่าสนใจ 8. ได้สัมผัสเหลีที่มีสีสันที่สุดในโลกเสียงเดียวคือไม่ได้เล่น ตอนนั้นเนี่ยซิกโก้เนี่ยเห็นแต่ลบก็คือไม่ได้เล่นแต่เขาไม่เห็นบวกก็คือว่าเขาได้อะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยเขามองไม่เห็นถามว่าแปดอย่างที่เขาพูดมาจริงไหมจริงแต่เขาไม่มองมองไม่เห็นเนี่ยเขาไม่เห็นเาตอนที่ผ่านไปหลายปีแล้วถึงมองเห็นโอ้โหแปลงกิงมีแต่ได้กับได้เข้าใจไหมคิดบวกคืออย่างนี้นี่คือความหมายความหมายหนึ่งนะคือไม่เห็นแต่ไม่ได้เห็นแต่กระดาษสีดำแต่เห็นสีของกระดาษ ด, ด้วยเข้ามา เด็กคนหนึ่งก็บอกเด็กคนหนึ่งเนี่ยพี่ยญงคนหนึ่งเกิดเป็นทรัสเซียมีนะชื่อ ก, อกรหนกบางสินสุขมีสองพี่น้องเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดก็เป็นทรัสเซียมียหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบแต่เ้า อ, อยู่ได้มาจนถึงสาสิบกว่านะแต่ว่าสุขภาพเขาแย่มากตาโปนนะหอมแครกันกระดูกหักง่าย ล้มทีไรเนี่ยไม่แข็งขัเขาขาหักเขาใส่เปือกมาแล้วสิบกว่าครั้งย0ิบครั้งแล้วแต่เขาไม่คุณมีความสุขเหต่ผลก็คือว่าเขาบอกว่าถึงแม่เลือดฉันจะแย่แต่ฉันนี่มีตาเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงไพเราะกินอะไรก็ยังอร่อยเดินเหินไปไหนก็ได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่คือคิดบวกก็คือว่าไอ้ที่มีตามองเห็นมีจมูก นะมีหูยังใช้การได้เนี่ยจริงไหก็จริงแต่คนส่วนใหญ่เวลาทุกเนี่ยคิดแต่เรื่องว่าคิดแต่เห็นแต่ความเจ็บความปวดแต่ไม่เห็นว่ามีอะไรดีๆในตัวเราบ้างคนที่เป็นมะเร็งหลายคนเนี่ยเขาเห็นแต่ท้องลำไส้กระเพาะที่เป็นมะเร็งปอดที่เป็นมะเร็งแต่เกก้าอย่างเนี่ยที่ดีเขามองไม่เห็นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะเสียเสียแค่สองสาอย่างนะ อีก97ก98อย่างดีคือตาก็ยังดีหูก็ยังดีจมูกก็ยังดีสมองก็ยังดีแต่เขาทุกข์เพราะเขาเห็นแต่สิ่งที่มันแย่อันนี้เรียกามองลบแต่ถ้ามองบวกก็คือจะมองแบบกระหนกวันคือว่าเฮ้ยฉันก็มีสิต้อง99อย่างที่ดีแล้วจะทุกข์ไปทำไมใช่ไห ม, ไหมนี่คือมองบวกนะไม่ใช่ไม่ใช่มองโลกสวยนะมันเป็นความจริงที่คนมักจะไม่มองก็เห็นแต่ลบ มองป่วยความหมายคือมองเห็นว่าไอ้สิ่งแย่ๆนี้ข้อดีอย่างไรบ้างทุกอย่างที่แย่เนี่ยมีดีเสมอป่วยก็มีข้อดีเสียลูกก็มีข้อดีอใช่ไหมถ้านางกิสาวกตุมีกิสาวกตมีไม่เสียลูกไม่มีทางบรรลุเป็นอาจจะไม่มีทางบรรลุเป็นพระสดาบันก็ได้ใช่ไหมป่วยเป็นมะเร็งก็มีข้อดีหลายคนบอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะทำให้มาพบธรรมะใช่ไหม แม้จะมองไม่เห็นว่ามันดียังไงนะมันก็มันก็มีดีอย่างหนึ่งนะคือดีที่ไม่แยกไปกว่านี้จิตอาสาคนึ่งไปเยี่ยมผู้ป่วยอายุสิบสี่เป็นผู้หญิงผมเธอร่วมเหมืนเลยเธอเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยืดเยื้อแฉมสายจิตอาสาก็แปลกใจคุยไปคุยมาเธอบอกว่าหนูโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมีญาติคนหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลย หนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนี่ก็เป็นนี่ก็คูอมองดีไงถามว่าจริงไหมมันก็จริงใช่ไหมสำหรับเธอเองที่ถูกความจริงก็คือว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งสมองนี่มันดีกว่าเป็นมะเร็งมดลูกคือขนาดเป็นมะเร็งสมองนี่ก็ยังมองเป็นข้อดีและถ้าเรามองมองบวกเป็นนะเป็นมะเร็งมดลูกก็ยังมีข้อดีใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ยังมีเวลาที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ ดีกว่าตายเพราะเครื่องบินระเบิดตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ทันเตรียมตัวเลยนี่ฉันยังมีเวลาเตรียมตัวอีกหเดือนหเดือนหนึ่งปีมีเวลาที่จะบอกรักแม่มีเวลาที่จะมีเวลาที่จะปฏิบททัติธรรมเป็นมะเร็งมดลูกก็ดีเหมือนกันดีที่มันดีกว่าตายเพราะอุบัติเหตุดีกว่าตายเพราะเครื่องบินตกก็มองได้แบบนี้นะก็คือความจริงมันไม่ใช่โลกสวยนะแต่เป็นการรู้จักมอง มีพระองค์หนึ่งไปทูลลาพระพุทธเจา้าชุบภพุณณนะขอไปเมืองสุนาปันตพะพุทธเจ้าท้วงว่าคนสุนาปันต์เนี่ยดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระคุณณะตอบว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาทุบตีเขาด่าก็ดีที่เขายังไม่ทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านละ่ะเขาทุบตีก็ดีที่เขายังไม่แอาก้อนมาคว้างพุทธเจ้าถามว่าแล้วถ้าเขาก้นมาคว้างาาาละ่งละ พขเขาก็ถือมาความก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาเอาไม้มาฟาดท่านละเขอไม้มาฟาดก็ดีที่เขายังไม่เอามีดามาแทงแล้วถ้าเขาไม่มาแทงท่าจะว่าอย่างไรเขาไม่มาแทงก็ดีที่เขายังไม่ฆ่าให้ตายแล้วถ้าเขาเอามีดมาฆ่าท่านในตายท่านจะว่าอย่างไงรพระคุณนก็ตอบว่าคนบางคลอยากจะตายก็ต้องไปหาหมีดมาต้องไปจ้างคนมาฆ่านี่ถ้าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าก็ดีมันกันไม่เหนื่อยคือพระคุณธเนี่ยท่านมองอะไรดีไปหมดนะ ผู้จัางเลยเออไปได้เลยนะสุนทรพันธ์นี่ยบอกว่าสุดท้ายพระคุณณ ก, ก็สามารถจะทําให้คนสุนทรพันธ์หันมาสมาทานพระรัตนตรัยและท่านปุณณาก็ได้บรรลุพระอ ร, ร, ะระหันต์นี่คือการมองบวกอีกแบบหนึ่งนะคือมองว่าในสิ่งที่มันแย่ๆเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างนะอันนี้อาจจะไม่เหมือนกับมองบวกของหลายคนมองบวกบางคนก็มองว่าโอ้อนาคตจะ ช, ชั่วช้าชวานก็เรียกเป็นออฟติมิสติกนะ แต่มองบุตที่จะมาพูดไม่ใช่เรื่องออพติมิสติกมันเป็นเรื่องของไม่ได้ม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการมองอนาคตแต่เป็นการมองความจริงในขณะนี้ว่ามีข้อดีอะไรบ้างใครมีคำถามมีไหมอยู่ใครบ้าครับ ความสะอาดบ้างเนี่ยมันต้องฆ่าแมลงสาบฆ่าหนูย่เงี้ยถือว่าผิดศีลไหมครับผิดอยู่แล้วเจตนาเจตนาก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วถ้าเราไม่ฆ่าก็เราทไงได้เพราะององยองต้อกิตมาก็ทาความสะอาดได้ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าแมลงสาบไม่ต้องทำเลยแค่ทาให้มันสะอาดมันก็ไม่ค่อยอยู่แล้วแน้องชายผมเนี่ยจับแมลงสาบจะเป็นอบ้าง เขกเขาเข า, เขาไม่ฆ่าตับเลยเขาปล่อยบ้างก็ได้คือทํา <c oughs> ทให้มันสะอาดซะมันก็ไม่ค่อยมาอยู่แล้วใช่ไหมมาอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ให้เขาอยู่บ้างจะมีแมงมุมอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรตุ๊กแกอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโลกนี้ก็เป็นของของเขาแต่ไม่ใช่โลกของเราอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเราทําให้มันสะอาดซะหนูก็ไม่มานะไอ้พวกมแมลงพวกนี้ก็จะไม่ค่อยอยู่หรอก ก็ผมผมถามด้วนะอย่างเราอะ่ะสมมติว่าเราเนี่ยต้องการขายอาหารแต่เมื่อว่าเราไปขายของหวานที่เรารู้ว่าของหวานเนี่ยทาให้คนเป็นเบาหวานอย่างเนี้ยอย่างนี้เราเป็นคนขายไหมคือของหวานก็มีประโยชน์สําคัญอยู่ที่ว่ากินมากเกินไป <c oughs> ใช่ไหมกินข้าวเนี่ยกินมากเนี่ยมันก็อ้วนเพราะฉะนั้นไม่ควรกินข้าวใช่ไหมไม่ควรขายข้าวใช่ไหมมันไม่เหมือนกันเล่านะไม่เหมือนกันเหล้าไม่เหมือนกันยากคิดนะ คือของหวานเนี่ยมันไม่ได้เสียหายปัญหาเพื่อเรากินมากไปหรือว่าเราไปโฆษณาเชิญชวนให้กินไม่รู้จักพอหรือเปล่ า, ลาใช่ไหมข้าวขาหมูเนี่ยกินมากๆากนะมันก็ไปโรคหวัวใจใช่ไหม <S 2> <S 2> <S <S ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรขายข้าวขาหมูพิซซ่าเนี่ยนะแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็ทําให้คนเป็นโรคหวัวใจถ้ากินมากแต่ไม่ได้แปลว่าการ ตั้งร้านขายแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดศีลธรรมมันอยู่ที่ว่ารู้จักกินรู้จักพอใ่ไหของที่มันเป็นของที่มันเป็นของเค็มมากๆนี่ก็ทำให้เป็นโรคถ้าเรากินมากไปเนื้อเครื่องในกินมากไปก็เกาก็แปลว่าไม่ต้องขายเครื่องในหรือเปล่านะก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าคนซื้อเนี่ยจะ ต, ต้องรู้จักความพอดีว่า เท่าไรจริงจะพอถ้ากินน้อยมีประโยชน์ถ้ากินมากไปก็เป็นโทษรถยนต์เนี่ยมันก็ทําให้เป็นคนคนตายเป็นอันดับต้นๆของประเทศดูปอติอเหตุเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ต้องขายรถยนต์ใช่ไหมเพราะถ้าขับรถยนต์แล้วอาจจะตายได้เห็นไหมจะตายเพราะรถยน์หรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่รถถ้ามัเป็นรถคุณภาพดีอยู่ที่ว่าแต่มันอยู่ที่ว่าขับดีไหมเมาหรือเปล่าประมาหรือเปล่ามากกว่า ไม่อย่างก็ที่บ้านเป็นอาชีพชาวประมงเนี่ยครับมันต้องออกไปล่าสัตว์แน่นอนในเ ร, รื่องทำยังไงถ้ายังจําเป็นอยู่ก็ควรมีวันศีลวันพระบ้างวันศีลนะก็หยุดบ้างใช่มะหรือว่าช่วงไหนที่ยังไม่ไม่ทําประมงก็รับศีลเคยนะหลวงปู่ ด, ดูเนี่ยท่านเคยท่านเคยชวนให้ชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพประมงเนี่ยให้รับศีล เขาก็บอกว่าเขายังรับศีนไม่ได้เพราะเขายังมีอาชีพประมงต้องมีการฆ่าสัตว์หลวงปู่ดูลก็บอกว่าแกไม่รู้หรอกว่าวันไหนแกจะตายออกจากวันนี้ไปอาจจะโดนรถชนโดนงู ก, กัดตายก็ได้ในขณะที่ยังไม่ทําบาป ก, ก็รับศินซะใช่ไหมอย่างน้อยผิดสีลก็ดีกว่าไม่มีศีลท่านบอกงี้นะ ผศีลจริงๆก็ไม่มีศีลก็เพือว่าก็ถึงแม้จะเป็นชาวประมงก็ก็ควรจะรับศีล น, นะอย่างน้อยๆเนี่ยวันพระวันศีลก็ก็หยุดซะบ้างนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีวันหยุดนะเพื่อว่าจะไดะ้มีเวลาที่จะได้รักษาศีลได้บ้างนะไม่ใช่ว่าทําประมงทุกวันเลยเนี่ยนะ ตรบใดที่เรายังต้องมีอาชีพนี้เนี่ยก็ทำไงถึงจะมีโอกาสที่จะรักษาศีลปฏิบัติธรรมบ้านนะและถ้าเกิดว่าเรามีช่องทางที่จะมีอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้นะก็ก็ควรไปทำอ่าไมา่ีผมขอต่อครับต่อยอดคาถามนะครับเรื่องยง มดมแมลงแล้วก็หนูจะใช้วิธีเรารู้ทันว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ชอบความเหม็นนะครับอันนี้จะเป็นการป้องกันดีไม่ลัดอย่าง mm hmm. เช่นเม็นเน็อย่างนน้ำหมักชีวอ้านีา้มันไม่ชอบนะเราก็ทาความสะอาดแล้วเราตสิ่งเหล่านี้ไปอ่อาเนี้ย ไปผสมแล้วเท็จเนี่ยมันจะมีความเหม็นอยู่แล้วก็ออกมดหรือมแมลง ต, ต่างๆก็จะไม่มาอ่ามาอยู่นะครับมันก็จะหนีไปที่อื่นอันนี้ก็ดีมันครับได้ก็ดีเป็นการเลี่ยงไม่ไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยการไปฆ่าเขานะก็เป็นวินะนธีที่เป็นทางเลือกหนึ่งนะมันไม่ใช่เหม็นมันฉุดนะนะพวกนี้มันไวมันก็หนีไป ใครจะมีสิ่งจับไปแล้วค่ะสอถามอาจารย์ค่ะอันน <um ี้เป็นสิ่งที่เห็นจากคอบครัวของเพื่อนนะคก็คือว่าคุณป้อเน่งลูกเนี่ยประมาณวัยรุ่นอายุประมาณสิ คุณพ่อเนี่ยมีความเก่งในเรื่องจิตศิลปะมีความหวังดีลูกมากอยากให้ลูกเนี่ยได้ดีได้เก่งเพราะลูกก็มีแหวนแต่ลูกเองด้วยความอ่อนโยนแล้วก็มีความเป็นคนตัวเองเอพูดอะไรก็พร้อมที่จะแหวกแนวหรือว่าเขาก็เชื่อว่าเขามีสิ่งอื่นที่เขาดีกว่าอะไรนี่ย้อนกลับมาประเด็นตรงนี้เนี่ยเรานั่งมองเราก็เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาเนี่ยก็ถือว่พ่อเขาไม่ยอมเรา ในสิ่งที่ลูกคิดลูกเองก็มองว่าความหังดีพ่อเนี่ยเขาก็รับไม่ได้เพราะว่าพ่อมายุ่งเรื่องด้านกับเขามากเกินไป mm hmm. ก็เลยย้อนกลับมาประเด็นที่พระจันประเทศเนี่ยค่ะว่าถ้าคนยอมรับความจริงหรือความทุกข์ได้กณะับว่าเป็โชคดีของคนนั้นที่ได้มาถึงเทวราแล้วก็ได้กลับมาคิดแต่ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเรานั่งมองเราก็เห็นภาพของว่า พ่อเองเอนี่ยโอโหถึงขนาดที่บอกว่าฉันไม่เอาละลูปเนนี้ฉันมีคนหนึง่งเส้นได้ดั่งใจฉันมากก่า เ, เขาถึงกับพูดบอกว่าควรจะตัดพ่อตัดลูกกันเรา n ั่งมองเราไม่รู้จะช่วยเขอย่างไรก็เลยอยากจะเรีถามพระอาจารย์นะคว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยในยเมื่อคนทั้งเป็นพ่อและคนเป็นลูกเองเนี่ยยังไม่ถึงที่จะหาจุดที่จะสามารถยอมรับความจริงดได้เลยเ เราจะมีคำแนะ น, นำหรือว่ามีอะไรช่วยได้บ้างาก่อนอื่นก่อนนะสมาคิกว่าคนเป็นพ่อเนี่ยเคยเป็นเด็กมาก่องแต่ลูกไม่เคยเป็นผู้ใหญ่คนที่เคยผ่านความเป็นเด็กเนี่ยนะควรจะมีความใจกว้างนะแล้วก็เข้าใจคนที่เคยเป็นเด็กพ่อตัวเองเนี่ยเคยเป็นเด็กมากอนก็ควรจะรู้ว่าตอนเป็นเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ย นะเป็นอย่างไรนะคนที่เป็นพ่อเนี่ยทุกคนเนี่ยนะหรือพูทแม่ด้วยซ้าก็เคยเฮี้ยวมาก่อนตอนเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแต่คนเรานี่มักจะลืมว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเด็กเคยเป็นวัยรุ่นแลวเรามีนิสัยใจคอและอารมณ์อย่างไรใน mm hmm. คนที่เป็นพ่อเนี่ยเป็นแม่เนี่ยถ้าหาว่าย้อนระลึกได้ ว, ว่าฉันครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นวัยรุ่นและฉันก็เคยเฮี้ยว mm hmm. เขาก็จะเข้าใจลูกได้มากขึ้นนะ อย่าน้อยเนี่ยลูกก็มีประสบการณ์น้อยลูกไม่เคยเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะคิดอะไรที่มันไม่มีเหตุ ม, ไมิไม่มีผลหรือเว่อร์ไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะมาช่อ ป, ปัญหาของมันมีแง่คิดของการการเลี้ยงลูกนะที่จริงอาจจะลงถึงเรื่องของกรณีอื่นๆด้วยคือว่าให้มีความหวังแต่ย่าคาดหวัง ความหวังนี่นะเรามีความหวังกับใครเนี่ยคนนั้นจะรู้สึกดีถึงแม้คนนั้นจ ะ, จะเรียนไม่เกง่งนะจะหน้าตาไม่สาสวยจะอ่อนแอแต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยมีความหวังกับเขาหรือผู้ใหญ่มีความหวังกับเขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะเติบโตโอกาสที่เขาจะเปล่งศักยภาพออกมาเนี่ยมีสูงเพราะเขาจะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองถ้าใครมีความหวังกับเราเนี่ยนะ เราจะมีความมองกับตัวเองเราจะรู้สึกตัวเองไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่รู้สึกอันเดอร์อิสแตเมตหรือว่าไม่รู้สึกมองตัวเองในแงนล่ลบแต่ถ้าเราคาดหวังใครนะไอ้คนถูกคาดหวังนี่จะทุกข์มากเลยใช่ไหมแล้วคนคาดหวังเองก็ทุกข์ตอนนี้พ่อแม่หลายคนเนี่ยไม่ได้หวังไม่ได้หวังดีกับลูกหรือไม่ได้มีความหวังกับลูกนะแต่คาดหวังใช่ไหะ คาดหวังคือคาดหวังให้ลูกเป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการความคาดหวังเกิดกับใครคนนั้นทุกข์เพอรู้สึกว่าถูกกดดันประโยชน์มนก็มีนะแต่ว่าทุกข์เนี่ยก็ไม่น้อยและคนคาดหวังคือพ่อแม่ก็ทุกข์นะและความคาดหวังเนี่ยมันทำร้ายคนเนี่ยมาเยอะแล้วใช่ไหมกรณีที่คุณว่าเนี่ยมันก็เป็นชี้เห็นว่าไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันกาลังทาร้ายความสัมพันธ์ของแม่ของพ่อกับลูก แล้วก็ทําร้ายตัวเด็กเองเด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่มีคุณค่านะพ่ออันนี้ก็เป็นทุกข์เพ้าลูกพรนะธรรมคิดว่าเนี่ยเปลี่ยนจากความคาดหวังเป็นความหวังซะได้ให้เขาเติบโตในในแบบของเขานคราวนี้ถามว่าเราเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยเราช่วยอย่างไรธรรมาว่าคงต้องเติบสติโดยที่เป็นพ่อพนะ ว, ว่าเขายังเด็กเนี่ยงสิบสองสิบสามเนี่ย ชีวิตของเขาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะพลิกผันเปลีป่ยนแปลงไปได้เยอะนะเดี๋ยวายอุตส่าหเนี่ยอาจจะเรียนไม่เก่งไม่สนใจการเรียนแต่แต่มาก็เห็นมาเยอะแล้วพอเข้าหมหาวิทยาลัยนะก็กาัายเนคนที่ขยันเรียนตั้งใจนะเป็นคนที่เอาเอาการเอางานคือจะไปดูคนเนี่ยตรงตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นนะแต่ให้ดูยาวให้ดูมากไปกว่า น, นั้น แล้ถ้าเราเข้าใจจิตจิตวิทยาของคนในวัยรุ่นเนี่ยนะก็จะพบว่ามันเป็นช่วงของความเป็นช่วงของเรียกว่าต่อในวงการภาษาวิทยาเนี่ยก็จะค้นพบแล้วว่าตอนนี้สมองของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะมันเป็นสมองที่ยังยังเรียกว่าไม่สมบูรณ์เป็นสมองแทบจะเรียกว่าในบางในบางกรณีเนี่ยเป็นสมอง ค, ค, คล้ายคลกับคนป่วยที่เป็นโรคจิตบางประเภท นะจริงๆเลยนะสมองเนี่ยโครงสร้างหรือแพทเทิงสมองเนี่ยมันจะทํางานคล้ายกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขาจะมีความอดทนต่ําเด็กเขาจะใช้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเด็กเขาจะคิดไปไม่ได้ไกลเขาจะคิดแต่ระยะสั้นมากกว่าระยะยาวไม่รับไม่รับรู้าการกระทาตัวเนี่ยส่งผลอย่างไรนี่เป็นอาการของคนที่เป็นโรคจิตอ่อนๆ น, นะะแต่ว่าในสุดเด็กก็จะผ่านจุดนี้ไปได้ในที่ที่พ่อแม่เนี่ยนะไม่ไม่เข้าใจ จิตวิทยาของเด็กเนี่ยก็จะสามารถทําให้เด็กคนนี้กลายเป็นกลายเป็นคนทุกข์หรือว่ากลายเป็นผู้ร้ายได้ไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้การช่วยเตือนสตินะแล้วก็ให้เขามีความหวังในตัวลูกหน่อยให้เขามีศรัทธาในตัวลูกมากๆนะแล้วลูกเขาก็จะดีขึ้นได้ มาวัชการหลวงพ่อค่ะก่อนคำถามนะคะวันนี้หนูมาเพื่อจะขอบคุณหลวงพ่อมากเลยนะคะเพราะว่าคําสอนของหลวงพ่อที่กระจายออกไปทําให้หนูได้ดูแลแม่ที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะจนแม่เป็นมะเร็งตอ่โลกนะคะจนกระทั่งแม่ได้เสียชีวิตไปแต่ว่าคําสอนที่หลวงพ่อบอกว่าให้ผู้ป่วยมีความสุขมีความสุขในระหว่างที่ป่วยได้หนูก็ได้สอนแม่ จนแม่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ป่วยดีเด่นของโรงพยาบาลศิริรา น, นะคะแล้วก็จากสสสก็คัดเลือกเพื่อที่มาถ่ายทำที่บ้านหนูถือว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีแล้วก็ได้ดูแลผู้ป่วยให้เห็นเขาตายด้วยกับกับมืออคะ่ะแล้วเห็นเขาตายอย่างมีความสุขจริงๆไม่ใช่แบบเป็นการแกล้งทํานะคะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จของชีวิต แต่เพื่อที่หนูจะได้เข้าต่อไปสําหรับตัวตัวเองด้วยที่ให้เห็นแม่ตายหนูก็อยากจะเตรียมตัวตัวเองด้วยะคะ่ะ้าเลยอยากจะศึกษาเรื่องการตายห่อตายก็อยากให้หลวงพ่อช่วขยายความเพื่อให้เห็นชัดเจนแล้วหนูก็จะได้ก้าตอบไปะคะ่ะเมอชา้าพูดไปพูดมานะเรื่องตายก่อนตายเมื่อวานนี้ก็พูดเริ่องเป็นนี่กับความตายอที่จริงตอนนี้คนก็มองเห็นนตามาเ น, นี่ย พูดเรื่องตายเยอะที่จริงอาตมาชอบผู้เริ่มความสุขนะแต่ว่าอยากจะให้เรามีความสุขแม้กระทั่งในอย่างทุกขนะ์ผู้เจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะที่ตายก่อนตายเนี่ยนะความหมายนั่คือว่าให้รู้จักซ้อมตายความที่จะตายจริงทําไมต้องซ้อมตายก็เพราะว่าเราต้องตายอย่างแน่นอนนะและถ้าจะตายเนี่ยและเนียนซ้ำเราต้องตายเพียงแค่ครั้งเดียว เราไม่มีโอกาสแก้ตัวใช่ไหเพราะนั้นต้องสอมสอบไล่นี่นะในโรงเรียนเนี่ยนะเราสอบตกเราก็แค่ซ้าช้ำแล้วปีหน้าก็สอบใหม่นะสมัยนี้ไม่ต้องไม่ต้องซ้ำช้ำแล้วสอบซ่อมนะสอบเอ็นชัาไม่ได้ก็ปีหน้าสอบใหม่ใช่สอบสัมภาษณ์ไม่ได้ก็ไปสอบที่อื่นนะแต่ว่า การตายซึ่งอาตมาถือว่าเป็นการสอบไล่ของวิชาที่ช่ววิชาชีวิตเนี่ยนะมันสอบได้ครั้งเดียวแต่ถ้าสอบตกเนี่ยก็ตกจริงๆนะัคือไปอภัยเลยไปทุ ก, กติกเพราะฉะนั้นเนี่ยจําเป็นมากต้องซ้อมขนาะเราไปพูดในที่สาธารณะไปพูดในงานแต่งงานบางค น, นไม่เคยพูดในงานแต่งงานพูดต่อหน้าสาธารณชนเก็ไปซ้อมหน้ากระจกเลยซ้อมพูดหน้ากระจก และเรื่องที่มันใหญ่โตขนาดเรื่องความตายเนี่ยนะทำไมไม่ซ้อมอะ่ะห็นไ่มซ้อมตายทุกวันนะเมื่อวานนี้ก็ไปซ้อมตายที่สวนโมกนะพาคนซ้อมตายจเจริญร้อนนัสตินะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคนเราต้องซ้อมตายนะแล้วก็จเจริญร้อนนัสติจากชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเดินทางขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบินก็ให้ลองคิดว่าถ้าเกิดมันเกิดอุปัติเหตุ นะทำให้เราไม่สามารถจะกลับมาบ้านได้เนี่ยเกิดเราต้องตายตรงนั้นเนี่ยในระหว่างการเดินทางเราจะทำใจอย่างไรเราจะนึกถึงอะไรนะเราจะปล่อยวางลูกปล่อยวางคนรักปล่อยวางพ่อแม่ปล่อยวางงานการทรัพย์สมบัติได้ไหมซ้อมเอาไว้นะในทางวัตถุศาสนาเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าแช่งนะ ลึกบ่อยๆเนี่ยท่านลึกแล้วทำให้เกิดไม่เกิดความไม่ประมาทถือเป็นเรื่องดีถือเป็นเรื่องมงคลนะความไม่ประมาทในธ ท, ทั้วเนี่ยเป็นมงคลในสูงสุดนะนะเวลาดูข่าวมีความตายเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่โทรทัศน์นะมีเหตุดูข่าวเกิดรถคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมภัยธรรมชาติ ลองเปิดใจว่างว่าสักวันถ้าเกิดแม้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราจะทําอย่างไรนะของพวกนี้เนี่ยอย่าไปคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นกับเรานะนะมันสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาหรือถึงแม้ไม่เกิดในรูปของอุบัติเหตุตาจจะเกิดในรูปอื่นก็ได้เพราะความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวพรนะสิทธิเวทย์บอกว่าระหว่างชาตินี้ระหว่างพวกนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนจะ่าไปคาดว่ามีพวกนี้ก่อนจะค่อยมีชาติหน้า บางทีพ้นจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง้อมสอบไล่สอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานนะสอบมิดเทมเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าเพราะเขาบอกวันให้เสร็จว่าจะสอบเมื่อไหรแต่สอบไล่วิชาชีวิตเนี่ยไม่มีบอกนะว่าเมื่อไหร่อาจจะคืนนี้ก็ได้ อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะสี่สิบปีหน้าก็ได้ให้คนฉลาดก็ต้องเตรียมพร้อมเนี่ถ้าเตรียมพร้อมวิธีหนึ่งคือว่าซ้อมตายบ่อยๆแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอนะเตรียมตัวเตรียมใจอันที่หนึคือว่าหมั่นทําความดีจะคล้องแวกับความชั่วเพราะถ้าเราทําความดีเราไม่คล้องแวะความชั่วเนี่ยมันก็เป็นหลักประกันให้เราตายดีได้ผู้เจ้าเคยตรัสตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ว่า เราไม่เคยทำชั่วในที่ใดเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงอีกที่หนึ่งเ่าตัดว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวตลอโลกหมายความว่าถ้าเราทำความดีเราไม่ทำชั่วเนี่ยโอกาสที่เราจะไปดีก็มีสูงใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเรามั่นใจในเมื่อเรามั่นใจในความดีเนี่ยเราก็ไม่เสียดายชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจนะก็พร้อมรับความตาย และยิ่งเรามั่นใจว่าเราทําดีก็จะไปสุกติเราก็ไม่กลัวความตายไม่กลัวกัราโลกหลายคนกลัวตายเพราะไม่มั่นใจในความดีที่เคยทําหลายคนกลัวตายเพราะกลัวตายแล้วจะเป็นนรกนะแต่ว่าเราทําความดีแล้วเนี่ยอ่าเราก็มั่นใจได้มากขึ้นเราจะกลัวตายน้อยลงถึงเวลาจะตายเราก็มีบุญมีความดีเป็นที่พึ่งพุทจศาตัดว่าบุญย่อมทําให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิต เมื่อเราทำความดีมากๆนี่นะเวลาจะสิ้นชีวิตเราก็ได้ถึงความดีที่ทํำเราก็ายแล้วก็อิ่มเอิบปิตินะแต่ทําความดียังไม่พอนะยังไม่ใช่หลักประกันให้เราตายดีร้อยอร์เซ็นหลายคนที่ทําความดีแต่เวลาจะตายก็ทุรนทุรายมีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นคนธรรมธรมโมมากชอบพาคนเนี่ยไปทําบุญทอดข้าวปลาสร้างบสถ์สร้างวิหาร ตามวัดในถิ่นธุรกันดารทํามาเป็นสิบสิบปีแล้ววันหนึ่งแกเป็นมะเร็งมะเร็งลูกหลานเร็วมากสุดท้ายแกก็เป็นแกก็นอนติดเตียงเข้าสู่วิญญสุดท้ายตอนแกใกล้ตายนี่แกกระกาสับกระส่ายมากนะลูกหลานก็คิดว่าคุณธรรมะธโมเนี่ยอย่างอย่างพ่อเนี่ยนะถ้าได้ฟังเทสธรรมะพระสวดมนต์ก็จะดีแต่พอเปิดเทสธรรมะพระสวดมนต์ยังกระกาสับกระส่ายอยู่แปลกใจ จนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงเพื่อนเนี่ยพอร่ว่กิดอะขึ้นก็ไปพูดข้างเตียงว่าโบสที่ยังสร้างไม่เสร็จนะ่ะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยสร้างให้เสร็จแค่นี้แหละหรือกระสรับกระส่ายเลยแปลว่าอะไรแปลว่าแกห่วงโบสที่แกเป็นเจ้ากิจการจะสร้างให้เสร็จคงไป็นรับปากนะอาจจะรับปากว่ากับเจ้าวาดว่าถ้าโบสสร้างไม่เสร็จตายไม่ได้ฮนะคิดแบบนี้ต้องระวังนะถึงวเวลาจะตายมันไม่ยอมตายนะ สร้างไม่เสร็จตายไม่ได้เนะอันนี้อย่าพูดเช่นนะถ้าพูดแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรถึงเวลาจะถึงเวลาจะตายออก็ปล่อยวางพอแกพอแกยึดมั่นถือมั่นในการสร้างบสถเนี่ยการสร้างบสถเป็นบูรพศนะแต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยนะมันก็ทําให้ัไม่ยอมตายขัดขืนต่อสู้กับความตายแต่พอเพื่อนมาพูดอย่างนี้เนี่ยปล่อยวางแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่พูดอ่ะก็อาจจะทุรนทุรายจนตายก็ได้ แล้ตายแล้วก็อาจจะกลายเป็นกลายเป็นวิญญาณไปพุพ่นเป่อนอยู่แถวโบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จก็ได้ก็เลวกันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทําดีไม่ทําชั่วดีแล้วนะแต่ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยนะถึงเราจะตายต้องปล่อยวางทุกอย่างนะไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สมบัติไม่ใช่เฉพาะคนรักงานการด้วยนะและความรู้สึกโกรธความรู้สึกเศร้าความรู้สึกผิดก็ต้องปล่อยวางนะ หลายคนเนี่ยเวลาสละเงินสละสละบริจาคเงินเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยสละให้ง่ายเหลือเกินไม่คิดอะไรเลยแต่เวลาเวลาเวลาจะให้ปล่อยความโกรธสละความโกรธนี่ไม่ยอมสละนะกโงงแหงความโกรธมากเลยโงนะงแหงความเศร้ามากเลยบางคนเนี่ยโกรธเป็นสิบปียี่สบปีสาสิบปีนะเพราะว่า เคยช่วยค น, นเอาไว้แล้วเขาในละคนนะคุณยายคุณพ่อนึกถึงพอนึก ถ, ถึงผู้ชายคนนี้แกจะโกรธมากเลยนะนิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจากคนที่ยิ้มยา้มแจ่สายอ่อนโยนกลายเป็นคนที่เหมือนกับกราดเกลียวเกมเพราะเวลาพูดถึงคนคนนี้ลูกสาวเนี่ยกลัวว่าแม่ถ้าโกรธแบบนี้ตายแล้วจะไปอบายขอร้องให้แม่เนี่ยให้อภัยเพราะ ปล่อยวางเขาเแม่นี่โกรธลูกเลยนะลาวกับว่าลูกกําลังมาแย่งชิงของรักของห่วงจากแม่เออถ้าลูกมาแย่งชิงเอาที่ดินเอาเพ้นดินจินดาวไปก็น่าโกรธนะแต่ลูกไม่ได้ทําอย่างนั้นนะ ล, ลูกมาขอให้แม่เนี่ยปล่อยวางความโกรธให้อภัยเขาไปซะแต่แม่นี่ห่วงแหนความโกรธมากเลยแล้วความโกรธมันน่าหวงแหนที่ไหน ใช่ไหมความกรธไม่มีแต่ทิ่มแทงใจงเผาลมจิดใจเราแต่คนจานวนมากนี่นะเงินทองให้ได้นะแต่ความโกรธกูไม่ยอมกูจะเก็บเอาไว้จะไม่ยอมปล่อยความรู้สึกผิดก็เหมือนกันนะความรู้สึกผิดติดข้างใจมาสิบปียี่สิบปีก็ไม่ยอมวาง น, นะไอ้ที่มันยากเนี่ยคือตรงนี้แหละสละทรัพย์เนี่ยไม่ยากนะแต่ว่าสละความโกรธสละความรู้สึกผิดเนี่ยยาก และคนนี้ทํำไมสลานะอบายสถานเดียวนะนามเมริกาเทวีเนี่ยเป็นเมสีพระเจ้าประเสิทธิโกศล น, นะอันนี้ได้เล่าอย่างกันไม่ได้เล่าใช่ไหมอันละตมาเล่ามื่ช้าไปแนละ้วบางทีก็ไม่รู้ว่าเล่าซ้ํำไม่ไหวนะสับสนไม่หมดนามเมริกาเทวีเป็นเมสีพระเจ้าประเสิทธิโกศลเป็นคนที่ชวในให้พระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ยขันมาสมาถานพระตัตนตรยัยนาเปคนสวยคนฉลาด แต่อยุสั้นอยุแค่ยี่สบปลายปล0ยสาสิบต้นไปไปต้นก็เสียชีวิตกระทันหันตอนที่ตายเนี่ยเป็นนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ไปโกหกพระเจ้าปเสษทิโกศนวัาเหตุการณ์เล็กๆแต่มันน่าอายเธอเสียใจเพราะสวรนี่คือการทำมุสาวาสนะคนดีอย่างนางเนี่นะอยากจะให้ศีลหมดจดนแต่พอมีมุสาวาสเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจก็เศร้าหมอง แ้วเศร้ามองจนิตสุดท้ายเลยพอตายปุ๊บนี้ไปอาบายเลยนะเจดวันคนดีไปอาบายได้นะเพราะว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดนางไม่รู้จักปล่อยวางเพราะมีสุขผิดก็มีเกล็ดนะพนระเจ้านางประสิทิ์พระเจ้า ป, ป, ประสิิ์จุกสนเนี่ยก็รักนางเมริการทีวีมากพอนางตายเนี่ยวันรุ่ขึ้นก็ไปหาผู้เจ้าอยากจะถามว่านางมริการทีวีไปไหน ไปอยู่ไหนแล้วพุทธเจ้ารู้นะแต่ตอบไม่ได้เพราะถ้าตอบแล้วเนี่ยจะทำให้พระเจ้าเส็เที่โกศลเนี่ยเกิดความคลางแคลงในธรรมะในความดีว่าทำไมคนทำดีอย่างนาคิกมันลบทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีความจริงบางอย่างรู้ไปนี่มันเป็นโทษนะเพราะถ้ารู้ไม่จริงเนะี่ยพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่ตอบนะแล้วไม่ผพุทธเจ้าจะไม่ตอบจะทายังไงกหกก็ไม่ได้ นะอธิษถาเล่าว่าพระเจ้าเนี่ยก็เลยบันดาลให้พระเจ้าประสิทธิ์โยศเนี่ยลืมถามมาแล้วลืมถามกลับไปถึงในวักเ อ, อิบนึกขึ้นมาได้วันที่สองไปใหม่ลืมอีกนะลืมอยู่เจ็ดวันนะตอนที่แปดนานาเบรเการทีวีทําความดีกรรมดีมดสองให้นานเนี่ยไปสวรรค์อันนี้พระเจ้าเนี่ยก็เลยอไม่บันดาลให้พระเจ้าประสิะทธิโยศน์ลืม พระเจ้าปเสนจุ ก, กสถามพระเจ้าก็เลยตอบว่าตอนนี้นางอยู่สวรรค์แล้วพระเจ้าเส็จุ ก, กสนโอ้ยดีใจมากเลยนะปาดปื้มความจริงบางอย่างรู้ไปว่าเป็นโทษนะสําหรับคนที่รู้ไม่จริงเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะแล้วเรื่องนี้พระเจ้าคงอธิบายยากเราทำไมนางบริกาเทวี TV, ตกนรกคนที่กำลังเศร้าโศลมันรับความจริงไม่ได้ก็ต้องก็ต้องมีอุบายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า การปล่อยวางเนี่ยนะปล่อยวางทรัพสมบัติเนี่ยมันง่ายแต่ปล่อยวางความโกรธความเกลียดความความรู้สึกขิดเนี่ยนันที่ัปนยาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักต้องฝึกปล่อยวางตั้งแต่เดี๋ยวนี้ mm hmm. ซ้อมตายเนี่ยเราถึงการฝึกซ้อมปล่อยวางด้วยปล่อยวางในชีวิตจริง mm hmm. นะเงินหายของหายก็ปล่อยไวนะ้เถอะถ้าเอาคืนมาไม่ได้ก็ปล่อยถูกกงไปบ้างก็ช่างมัน เออแต่ถ้า ม, มีทางเอาคืนมาแล้วก็เอานะ <c oughs> แต่ว่าถ้าไม่มีทางก็ปล่อยในชะ่ไหมถูกคนดูดาบั่งเออก็ปล่อยนะถือว่าเขามาซ้อมเข้ามาเข้ามาเข้ามาสอนให้เราปล่อยวางเรื่องตัวตนเรื่องหน้าตาเรื่องชื่อเสียงมันทํายากแต่ว่าควรทาแล้วทำํำบ่อยๆมันจะปล่อยวางได้จะทําอย่างไม่ชีสาเนี่ยก็จะได้นะเอะเพราะฉะนั้นเนี่ยออ ละสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามีความยึดติดมั่นในตัวตนน้อยลงตัวัตวกูของกูก็จะเบาบางลงถึงที่สุดแล้วคนกลัวตายในพ่อแม่ยังมีตัวกูอยู่อาจารย์เพื่อนท่าบอกว่าให้ตายก่อนตายความหมายที่สองซึ่งลึกซึ้งมากคือทําให้ตัวกูมันตายหรือทําให้ความยึดมั่นในตัวกูหายไปเมื่อตัวกูหมดไปหรือพูดได้ถูก ต, ต้องคือ เมื่อความสําคัญเหมายในตัวกูหมดไปมันจะมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายหลายคนเนี่ยกลัวตายเพราะรู้สึกว่ากูกำลังจะตายมันมีตัวกูอยู่และตัวกูเนี่ยมันทนไม่ได้ที่มันจะล่วงลําดับไปมันจะต่อสู้มันจะดิ่นรนเพื่อให้ตัวกูนี่อยู่ต่อไปนี่เป็นธรรมชาติของตัวกูตัวกูไม่ต้องการประกาศตัวตนนะทําดีก็ต้องการประกาศความดีนะ ต้องการอวดนะเราก็ต้องฝึกให้ตัวกูเนี่ยมันเบาบางลงทำความดีแล้วลองลองหักข้ามใจไม่ให้ประกาศนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสแสดงออกทางเฟ e บุ o กก็ได้<ม> Facebook เฟซบุ๊กตัวนี่เป็ น, <ม> เ, ปนเป็นช่องทางในการประกาศตัวตนนะเราทำดีเราก็อยากจะบอกเราได้รางวัลเราก็อยากจะพูดให้ให้คนรู้ว่าเราได้รางวัลนะลองเก็บเอาไว้ไม่พูดมันจะอัดอั้นมากเลยนะ อาจอันเพราะตัวกูมันอยากจะประกาศความเก่งความดีความวิเศษของกูให้โลกรู้แต่ถ้าเราทำไบ่อยเนี่ยตัวกูมันจะมีอำนาจ น, น้อยลงตัวกูมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่ถ้าเราตัวกูมันเล็กลงเนี่ยเราจะกลัวตายน้อยลงนะอาจารย์ผู้สอนบอกว่าให้ฝึกฝึกให้ตัวกูฝึกปฏิบัติฝึกทําใจฝึกภาวนาะให้ตัวกูมันทําตายก่อนที่จะตายจริง แล้วมาถึเวลาที่ตายจริงเนี่ยถ้าตัวกูมันเล็กเนี่ยมันก็มันก็ไม่ทูกข์ด้วยและพอพอตัวกูเล็กของกูมันก็จะเล็กลงด้วยมันก็จะไม่เสียดายในทรัพสมบัติในคนรักก็พร้อมจะวางได้นี่กูจะย่อหนะตายก่อนตาย ถาว่าอะไรว่าสภาพ ป, ปีไหนบ้างกษท่ลกหลังจากที่ไฟไม่ใหญ่เมื่อเดือนเมษาสองสามพันไร่สองพันกว่าไร่เนี่ยก็มีการพยาพื้นฟูปลูกป่าขึ้นมาใหม่นะก็ในช่วงข้าบันสานี่ก็ปลูกกันแทบทุกทิตแต่ก็ได้แค่สองร้อยไร่นะเพราะว่ า, า, ามันไม่ไปลูกง่ายนะภูเขาก็ชัน รถก็ไปถึงได้ยากแต่ว่าก็ก็นับว่าเยอะตอนนี้ก็กำลังเตรียมรับมือกับไฟป่าทำแนวการไฟล้วกำลังจยุดทำบ่อน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับการดับไฟแล้วก็ช่วยทำให้ป่ามันชุ่มชื้นขึ้นการเกิดไฟก็จะรุแรงน้อยลงอันนี้กลาวย่อนนะ เนี่ยน่มีคนจะปปลูกแล้วก็มีมีคนมากพอแล้วแล้วก็เลยหยุดไปช่วงไม่ช้าก็อ๋ก็ออไม่อยู่ก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดฝนละพอหมดฝนก็ต้องหยุ ด, ดก็มีคนปลูกเรื่อยๆก็คงเท่า น, นี้นะพอพอสม แ, แก่เวลาแล้ว คุณมาเจอบบนี้นดีใจมาก